50 l าส g u a g e s าสธานสามสี่คฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือมองแล้วแว่ซีนดูโกเฮกุ p ปิมาเปียนดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Ma l õ p ป t, t a n t ö ö t ทําทํา o มเสียก็เหงาค m ยหกส e บส่วนคุณจะโท l มาเมื่อไหร่ม i ลล์จะ h e ลิส a ์แต่ทันทีที่ดิฉันมีเวลาก็เหงาคุยมูลนิ on hetkaega? เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาต่อหลิสต์ก็ใหุ้ยตเหกาอกคุยคุณจะทางานอีกนานเท่าไหรุ่ั่วเ e ตุเตตตดิฉันจะทางานเท่าที่ดิฉันยังทาได้มาเตอต๋นี้กัวคซ ม a t ö ö t ตอนนี้ก็ a k u กุนิ a อนดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่มาตี่ากุมตอนนี้ว่นิเเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานต่ล elleasemel เถิดแต่ละมา elleasemel t ö ö t a ต a เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าวต e ล o ยไปอะไร e ตะเส้นเลาะเสมาเลตซตรเสมยเเขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านตา ist ตุ p u ุ i s สเ l ลลาเซเมเลตโคยุมตาตุปปุปิเซลเซมลตโยมินเท่าที่ดิฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่ นีป็นเุยไลตซีน่องุม่เทีตซนเท่าที่ดิฉันทราบรรยาของเขาไม่สบายนปุน่าเยกุยไตนยนห้กเท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงานนปุยนาอตตต นี่ปเลิกคุ i มีนาเดี n นค Ma t ตาโตตุ่ยดิฉันนอนหลับเพลินไม่ฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลามาม่าก็สินสิสเซ่มุ่ยดวลเอกสินเด็บเซลตีอุดนุตมาม่าก็สินสิสเซ่มุ่ยดวลเอกสินเด็บเซลตีอุดนุตดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ma jäin พ u ud ud. s s i s ma ed, t maha, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma ตมาเยินพุชสิส์มห่าม l ่ยตัวเล็กสินเต็มสัลตีดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา m าเล่นนุ u เตี e มุ่ยตัวเ e ็กสินเต็มสัลตีตตเตี็กสิ